ขอคารวาพระกุงเจ้าและขอเจริญพรญาติโยมสาธิตชนทุกท่านคำว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยเนี่ยมันมีที่มาจากคำจัดของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีแต่อุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าลูกูนปิดาซึ่งเป็นอุบาสกที่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์ นกุลบิดานะั้นป่วยหนักแลพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาเยี่ยมและให้คำแนะนำหลังจากได้ฟังทำจากพระพุทธองค์แล้วนกุลบิดาก็มีจิตใจอิ่มเอิบปากปลื้มแล้วผิวพรรณก็ผ่องใสเมื่อออกมาพบกับพระไตรบุณฑ พระไตรปิฎกก็ทักว่าท่านนักบกุญบิดานี้หน้าตาอีกเอิบของใสามากเป็นเพราะอะไรนักบกุญบิดาก็เลยเล่าว่าพระพุทธองค์ได้มาโปรดมาแสดงธรรมรับประโยคก์ก็คือพระอได้ตัสกบนักบุญบิดาว่าท่านคือสัญญากว่าแม้กายที่ประปรุมเราแต่อย่าให้ใจที่ประปรุมเรา แม้กายป่วยก็อย่ายให้ใจป่วยท่านได้ฟังแล้วเนี่ยก็ได้สติแล้วก็ติดใจก็กลับมาเป็นปกติดังความป่วยกายยังมีอยู่แต่ว่าใจท่านหายป่วยจะเป็นเพราะว่าความปิดติอิ่มเ อ, อิ ความปรามโมดผสมกับการที่มีสติประโยชน์สั้นๆของพระตง์นี้สำคัญมากนะฮะเพราะว่ามันได้สะท้อนความจริงซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนจานวนมากเวลาเจ็บป่วย <c oughs> ก็คือว่าเมื่อป่วยกายแล้วเนี่ยเขมามักจะป่วยใจด้วย ในตอนเด็กกันเวลามีความปวดที่กายคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ปวดแต่กายเท่านั้นปวดหรือเจ็บที่ใจด้วยนายโยมเนี่ยเวลานั่งอยู่เนี่ยนั่งไปน า, นานสักชั่วโมงด้วยนะจะเริ่มปวดเมื่อย น, นะและความทุกข์จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ใช่แค่ปวดเมื่อยที่กายใจมันปวดด้วยใจมันทุกข์ด้วย และนั่นยิ่งทำให้เป็นการซ้ําเติมตัวเองทํำให้ทุกข์หนักเข้าไปใหญ่คือทุกซ้อนกันทั้งปวดกายและปวดใจคนที่เจ็ป่วยก็เช่นเดียวกันนะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยแต่กายใจก็ป่วย ด, ด้วยป่วยใจหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าใจมีความโกรธถูกดิ้นครั้นด้วยความเปลียดถูกเผาลวนด้วยโทสะ มีความวิตกกั ง, งวลอาจจะหลงดูความสุทธิผิดติดข้างใจอาการเหล่านี้เนี่ยมันมันทำให้ใจเนี่ยเป็นทุกข์แล้วพลอยทำให้กายเนี่ยซึ่งทุกข์อยู่แล้วเนี่ยทุกข์หนักขึ้นก็คือปวดหนักขึ้นบางคนเนี่ย ปวดกายหรือว่าทุกกายนี่ไม่เท่าไรกายเนี่ยป่วยไม่มากแต่พอปล่อยให้ใจป่วยแล้วเนี่ยอาการย่ำแย่เลยอาจารย์ประเวศก็สเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยท่านยังรับราช ก, การอยู่ที่สุรินทราท่านอยู่แผนดรสิทวิยาวันหนึ่งมีผู้ชายคนนึงอา ย, อยุราลซัก 40-50 ห้าสิบกลางคนนะั้นนะมาหาตัวซี่ไม่มีแรงไม่มีแรงแม้กระทั่งจะเดินมาหาท่านต้องนอนเปลมาอาจารย์ก็ดูอาการคนไข้แล้วก็สักถามจับคนไข้สักพักก็หันไปคุยกับแพทย์ประจำบ้านบอกว่าคนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรมากนะ ที่ตัวซีก็เพราะว่ามีญาติปกขอเดี๋ยวให้กินเหล็กก็จะดีวันดีคือผู้จบก็หายมาที่คนไทยเพราะว่คนไข้นี่ลุกขึ้นยืนได้เล ย, เลยบอกว่าหมอถ้ามันหายง่ายแบบนี้ผมต้องใช้เปย์นี่แหละล่ะลุกมาจากเปยแล้วเสกเปย์แรงมาจากไหนหมอยังไม่ทันให้ยายเลยเลยเพียงแค่รู้ความจริงว่าตัวเองไม่เป็นอะไรนแค่เห็นที่ตักขอ คำถามนี้น่าถามตัวทําไมมีแค่ญาติปากคอเนี่ยถึงไม่มีแรงคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยหลายคนยังมีเรี่ยวแรงมาเดินเดินมาหาหมอแต่นี่แค่ญาติปากคอปัญหาของมคนไทยคนนี้ไม่ใช่เพราะเพราะเป็นญาติปากคอถึงไม่มีแรงแต่เป็นเพราะใจเนี่ยวิตกกังวลหนนะ่อยแคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งไหมไปวายหรือเปล่าพอใจปรุงแต่ว่าตัวมีโรคร้ายเนี่ย แล้วก็เชื่อความคิดนั้นก็เกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัวอาการเหล่านี้ล่นคือความป่วยใจที่มันทาให้ร่างกายเน่ซุดอาจารย์มาเฟยยังเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักธุรกิจแล้วก็อายุก็ก็ประมาณกลางคนนนะแข่ง เ, เทนนิสเป็นประจำวันนึงไปตรวจสุขภาพหมอบอกว่า คุณหัวใจรั่วจะตกใจมากเลยพราะตามความเข้าใจแกหัวใจรั่วคหัวใจเป็นรูนะแล้วเวลามันหัวใจเต้นก็เดืนมัก็พูดก็ถูดออกมาอย่างนี้มันตายเลยใจเสียเลยที่จริงเนี่ยหมอทั้งใจจะพูดแกลิ้นหัวใจรั่วแต่หมอพูดไม่ครบและลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยก็ยังสามารถทำดําเวทีปกติได้ออกกําลังกายยังทําได้แต่พอแกเข้าใจผิดเนี่ยนะ แกก็ใจเสียนะซุดเลยนะแค่สองวันเท่านั้นแหละเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่กี่วันต่อมา ก, ก็เข้าขห้องไอซียูแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยที่สุดหลักในจนถึงตายนีย่ไม่ใช่เพราะรีนหัวใจรั่วไม่ใช่เพราะกายที่ป่วยที่ไม่ปกติอันนั้นเป็นส่วนน้อยในส่วนสําคัญคืว่าใจใจที่เสียขวัญใจที่วิตกกังวล เมื่อใจป่วยเนี่ยมันก็สามารถทําให้กายเนี่ยซุดหนักกว่าเดิมบางทีกายไม่ได้ป่วยอะไรเลยนะกายไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยนะแต่ปัจจัยป่วยแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดความอาการที่ย่ำแย่ขึ้นมามีพู้งคนหนึ่งแกเล่าว่าแกในเชิแกเล่ า, าเป็นเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งาอายุประมาณสักยี่สิบกว่า เธอมีโรคมีอาการปวดหัวปวดท้องเรื้อรังความดันสูงปัญหาหมอครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ได้ดีขึ้นหมอเองก็แปลกใจเพราะว่าตรวจไม่พบความผิดปกติในร่างกายของเธอเลยหมอคงเกือจะถอดใจแล้วนะแล้วันหนึ่งหมอเลยถามคนไข้ว่าไหนคุณช่วยเล่าเรื่องราวรอบชีวิต ใ, ให้ฟังหน่อย เธอก็ล่าว่าเธอเป็นเด็กกาพร้าแล้วก็ก็มีพี่สาวเนี่ยดูแลแต่เวลาเธอเล่าถึงพี่สาวเนี่ยเธอจะมีอาการโกรธมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าพี่สาวไม่ค่อยดูแลเธอเท่าไหร่นะหมอเห็หนอาการของเธอแล้วก็เลยบอกกับคนไข้ว่าหมอจะแนะนํานะคือให้คุณให้อภัยพี่สาวคนไข้ ไม่พอใจหมอแทนที่หมอจะให้ยาให้การรักษากลับมาแนะนำให้แกให้อภัยแกก็เลยหายไปเลยไม่มาหาหมออีกหนึ่งปีต่อมาหมอได้จดหมายจากคนไข้คนนี้บอกว่าตอนนี้หายแล้วอาการทั้งหมดเนี่ยเพราะทําตามที่หมอแนะนำคือให้อภัย แปลว่าอะไรเราที่แก่ป่วยมาทั้งหมดเนี่นะมันเป็นเพราใจทั้งนั้นเลยคนเราเวลาโกรธนี่นะใจมันถูกเผาลนด้วยโทรศัท์นี่ ค, คือความป่วยใจแล้วพอป่วยใจแล้วเนี่ยแม้ร่างกายปกติก็สามารถทำให้างกายเนี่ยป่วยตามด้วยปวดท้องปวดหั ว, หวความดันขึ้นเอาเฉะนว่าเนี่ยเวลาเวลา เราเต็บป่วยเนี่ยนะให้ตระหนักว่าอาจจะมีความป่วยซ้อนอีก ป, ประเภทหนซ้อนทับนะคือความป่วยใจและสิ่งที่ควรทำคืออะไรก็คือว่าการเยียวยาทั้งกายและใจการเยียวยากายนะก็อาจจะทำร่วมกับหมอนะ ในกรณี ท, ที่เป็นโรคที่อาการหนักนะนก็ต้องปรึกษาหมอแต่ป่วยใจเนี่ยนะเราต้องทำดที่ตัวของเราเองรักษาใจให้เป็นปกติ